ทีนี้มาสงสัยในสังฆคุณนะขีนาสะวะัสติสัมโมสปัญหาแกว่าพระอรหันต์ยังลงลืมสติอยู่หรือไม่นั่นเองอันนี้เป็นความสงสัยเกี่ยวกับสังฆคุณเนี่ยนะพระคุณเจ้าพระอรหันต์เนี่ยยังมีความหลงลืมสติอยู่หรือไม่คําว่าหลงลืมสติเนี่ยแปล ง, ง่ายๆว่าพระอรหันต์ยังเป็นอกุศลอยู่ใช่ไหมไอ้คําว่าหลงลืมสตินี่เป็นชื่อขณะใดที่จิตประกอบไปด้วยราคะขณะนั้นก็หลงลืมสติ ขณะใดาที่จิตประกอบด้วยโทสะขณะนั้นจิตก็หลงลืมสติขณะไห น, นที่จิตประกอบด้วยโมหะคือขณะที่เป็นอกุศลเรียกว่าสติหลงลืมทั้งหมดอย่า น, นคำถามว่าพระอรหันต์เนี่ยหลงลืมสติอย่างนั้นไหมพระน่าเ ก, กษร์ก็ตอบว่าขอถวายพระพรมห า, าพิธพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากความหลงลืมสติเลยไม่มีแม้แต่ชวนะเดียวที่ปราศจากสติเว้นไว้แต่เหตุกะ ที่เรียกว่าอเยตุกะหาสิตุปาทจิตขณะนั้นแหละที่เรียกว่ายิ้มโดยที่ไม่มีเหตุ น, นะไม่มีเหตุขณะนั้นเท่านั้นแหละที่ไม่ประกอบด้วยสติแต่ที่เหลือประกอบด้วยสติหมดเลยชาวนะทุกขณะของท่านมีสติหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่มีสัก ข, ขณะเดียวที่พ ร, ร, ระาหันปราศจากสติอย่างน้อยที่สุดมหากิริยาญาณวิปยุทธ์เหมือนกันพระเจ้ามิเินก็ถามว่าพระคุณเจ้าก็แต่ว่าพระาหันทั้งหลายก็ย่มอมก็ยัง ต้องอาบัตได้ไม่ใช่หรือคือพระทหา์บางครั้งท่านก็นล่วงละเมิดพระวินัยไม่ใช่หร อ, อนะใช่มหาปพิตษพระทหารทั้งหลายเนี่ยบางทีก็ยังล่วงอาบัตเหมือนกันทีนี้การสอบสวนของของบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะเขาจะไม่รีบเพ่งโทษโพลธนาเลยบอกนี่สิดูสิพระทหา์ยังเป็นอาบัตในไหมแต่เขาก็ถามแบบคนที่เป็นเนี่ยนะลักษณะการสอบสวนก็ถามเอาแล้วพระทหารเนี่ยต้องอาบัตอะไรบ้างล่ะ นะยกตัวอย่างให้ฟังว่าพาระาธหันนี่เป็นอาบัตอะไรได้บ้างก็ขอถวายพระพรพระาธฐานทั้งหลายย่อมอาจจะยังต้องอาบัติในเรื่องการสร้างกุติเนี่ยนะหรือเรื่องสื่อข่าวเป็นพ่อสื่อแม่ชักเนี่ยนะหรือเรื่องสําคัญเวลาวิการว่าเป็นการหรือเรื่องสําคัญที่สุดผู้ปรารณาแล้วว่ายังไม่ได้ปรารนาเรื่องสําคัญพัดที่ไม่ได้เป็นเดนพิกษุให้ว่าเป็นเดนพิกสุใครอันนี้เกี่ยวกับศีลของในปาฏิโมกนะนะ ยกตัวอย่างเช่นกุติการกะเช่นสร้างกุติในแผ่พื้นที่ของสงโดยที่สงยังไม่ได้อนุมัติเนี่ยนะยังไม่ได้มาสวดเรียกว่าต้องสวดพื้นที่ก่อนนะท่านจึงจะสร้างเป็นของส่วนบุคคลในพื้นที่สงได้นะถ้าเพราะในพื้นที่สงต้องมีการสวดสมมุติก่อนจึงจะสร้างกุติได้ถ้าไม่สวดไม่อนุมัติเห็นชอบจากสงก็เป็นอาบัต ทีนี้ต่อไปอีกอันหนึ่งก็คืออย่างสันจริตสิกขาบทเนี่ยนะอย่างท่านก็เป็นผู้สื่อสื่ออะไรสื่อให้ชาย อ, อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าพ่อแม่ของท่านเนี่ยทะเลาะ ก, กันแล้วแยกกันอยู่หยางกัระ ง, งั้นเถอะท่านก็ไม่ต้องการให้พ่อแม่แยกกันอ่ะนะท่านก็เป็นคนประสานให้คืนดีกันซะอันนั้นเน่ยเป็นอบัตสังขาธิเศตรูนะเขาบอกว่านี่นยกตัวอย่างไม่ใช่ว่าท่านไปแบบไปรับมั่วๆไปชัก ชักบ้านนี้ไปแต่งบ้านโน้นเอาบ้านโน้นไปแต่งบ้านนี้ไม่ใช่อันนี้หมายความว่าเช่นพ่อแม่ท่านแยกกันนะนะท่านแยกกันอาจจะทะเลาะ ก, กันมีปัญหากันแล้วท่านให้สองคนนี่สมัครส ม, รสมรสาสชิกีและอยู่ด้วยกันนะอันนั้นแหละที่เป็นเป็นอาบัตเนี่ยนะแล้วอันนี้เรียกว่าสัญจริตตะศิขาบทแล้วอีกเรื่องหนึ่งเช่นวิกาลโภชนะศิกขาบทหมายคำว่าเวลาเที่ยงวันไปแล้วเนี่ยจะฉันไม่ได้แต่พระอรหันเนี่ย ไม่ได้มนาสิการว่าขณะนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อไม่ได้มนสิการก็มันเลยเวลาเที่ยงไปแล้วเมื่อเลยเวลาเที่ยงไปแล้วเป็นอบัตทุกคำนะนะเป็นอบัตทุกคำเกลือนอันนี้ท่านก็สามารถจะเป็นได้แต่ไม่ได้เป็นโดยความตั้งใจจะล่วงละเมิดพระวินัยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการไม่ไม่ตั้งใจจะล่วงละเมิดพระวินัยเพราะว่าอบัตเหล่านี้ถึงไม่รู้ก็เป็นอบัตเนี่ยนะนี่ข้อต่อไปอีกก็เช่นทุติยปวรณาศิขาบทเช่นว่า ภิกษุเนี่ยไปไปให้พระภิกษุที่ปวารณาเสร็จแล้วเนี่ยฉันหมายคืว่าห้ามพัดแล้วเนี่ยฉันอันนี้ก็เป็นอบัตเรียกว่าไม่ใช่ของที่เป็นเดนหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอไปฉันอาหารของพระภิกษุที่ไม่อาภาษแต่สำคัญว่าอาภาษคือเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่อาจจะไม่ได้มนัสิ ก, กานะไม่ได้มนสิการเท่านั้นเอง แต่ว่าที่ทํานั้นไม่ใช่ปราศจากสติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์ก็ยังต้องอาบัตเหล่านี้ได้พระเจ้ามิลินก็ถามว่าพระคุณจะเอาพวกท่านก็กล่าวกันว่าพวกภิกษุที่ต้องอาบัติย่อมต้องอาบัติเพราะเหตุสองประการหนึ่งที่เป็นอาบัตนะเพราะไม่เอื้อเฟื้อในพระวินัยบัญญัติ ไม่เอื้อเฟื้อในพระบัญญัติไม่เอื้อเฟื้อในพระวินยัยรู้อยู่แล้วฝ่าฝืนอันนี้เหตุที่หนึ่งที่ทําให้ต้องอบัติเหตุที่สองก็คือไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นอบัติแล้วก็คืนทําลงไปแล้วก็เป็นอบัติเหตุให้ต้องอบัติเนี่ยมีสองอย่างเนี่ยไงพระขุนเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยยังมีความไม่เอื้อเฟื้อที่เป็นเหตุให้ต้องอบัตอยู่หรือ แสดงว่าพระอรหันต์เหล่านี้ท่านก็ต้องแกล้งเป็นอาบัติสิสพระเจ้าเมลินก็บอกว่ า, าพระนาคเซนบอกว่าไม่มีหรอกพระอรหันต์ไม่เคยมีเจตนาที่จะล่วงละเมิดพระวินัยบัญญตัติท่านบอกว่าแม้แต่เพราะเหตุแห่งชีวิตเนี่ยนะแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตถ้าพระอรหันต์รู้อยู่จะไม่ฝืนแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกที่พระอรหันต์รู้อยู่แล้วไม่เอือ้อเฟื้อฝืนพระวินัยบัญญัติ พระเจ้าเมเลนก็ถามใหม่ต่อไปอีกหน่อพระขุนเจ้าถ้าหากว่าพระาหันก็ยังต้องอาบัตได้ก็แสดงว่าพระาหันเนี่ยก็มีความเอื้อเฟื้อสายถ้าอย่างนั้นท่านก็ต้องต้องอาบัตเพราะหลงลืมสติสิก็ตรงนี้ก็บอกแล้วว่าเหตุให้ต้องอาบัตหนึ่งไม่เอื้อเฟื้อสองเพราะหลงลืมสติแอบจะบอกว่าเอาพาหัน์ยังไงท่านก็ไม่ท่านยังไงท่านก็ยอมเอื้อเฟื้อแก่พระวินัยท่านจะยอมตายท่านก็ถ้ารู้อยู่ท่านก็ไม่ละเมิดงั้นก็แสดงว่าที่ท่านเป็นอาบัติก็เพราะว่า หลงลืมสติสิพระนาคเสณก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิตรพระอรหันต์ไม่มีความหลงลืมสติหรอกแต่พระอรหันต์ก็ต้องอาบัตได้มันก็ปมบอกสติไม่หลงลืมแต่ต้องอาบัตินี่มันงงอ่ะนะเพราะเหตุให้ต้องอาบัตมีสองอย่างพระเจ้ามิลินพระเจ้ามิลินก็บอกว่า พระกุณเจ้าถ้าอย่างนั้นจงทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจด้วยเหตุผลด้วยเถิดในข้อที่ว่าพระอรหันต์ไม่มีความหลงลืมสติแต่พระอรหันต์ก็ยังต้องอาบัตินั้นได้มีเหตุผลอะไรหรืออะไรเป็นเหตุผลให้พระอรหันต์เป็นอาบัติพระนาคเษนตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษการกระทําที่เศร้าหมองเนี่ยนะหรือที่เรียกว่าเป็นอาบัตินี่มีอยู่สองอย่างด้วยกัน คือเป็นอาบัติที่เป็นโลกัชชะในอย่างหนึ่งโลกวัชชะมีโทษทางโลกกับอาบัติที่เป็นปนนติวัชชะคือมีโทษทางพระวินัยบัญญัติขอถวายพระพรอาบัติที่เป็นโลกัชชะมีโทษทางโลกมีโทษทางโลกโลกในที่นี้ไม่ใช่ชาวโลกนะมีโทษทางโลกหมายคำว่าการล่วงอกุศลการมบท10อกุศลกรรมบทเสชื่อว่าโลกัชะเพราะมีโทษ นนะ ไ, มไม่ใช่เ ข, า, เขาด่าเขากรธเขาตําหนินะมาเข า, ามันมีโทษอยู่ในโลกเป็นโทษที่ปรากฏยืบประจักษ์อยู่ในโลกวัชชเนี่แปลว่าโทษมันมีโทษเช่นวัชเพื่ใช่ไหมเพื่ที่เป็นโทษอ่ะโทษของพืชนะก็เรียกว่าวัชชาการล่วงอกุศลกรรมบททุกข้อถือว่าเป็นโลกวัชชะเพราะมีโทษที่อยู่ในโลกเนี่ยนะนะอากุศลกรรมบทสิบเหล่านี้เรียกว่าโลกวัชชะ ส่วนที่ชื่อว่าปนนติวัชชะเนี่ยนะหมายความว่ามีโทษทางพระวินัยบัญญัติมีโทษเฉพาะตรงที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสําหรับพระพิสุทั้งหลายบอกว่าบัญญัติอันนั้นเป็นฉไนาการกระทําที่ไม่สมควรแก่ผู้ที่เป็นสมณะทั้งหลายไม่อนุโลมแก่ความเป็นสมณะใดย่อมมีอยู่ในโลกอันเป็นการกระทําที่ไม่เป็นโทษสําหรับเครือขัดทั้งหลายสิ่งนั้นเนี่ยนะมีโทษเฉพาะพระพิสุแต่ไม่มีโทษสําหรับ เครือัดครอขัดทำแล้วไม่ผิดแต่พระภิสุทำแล้วผิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายในการกระทำนั้นว่าพวกเธอไม่ควรล่วงละเมิดตลอดชีวิตอะไรบ้างเช่นการฉันอาหารในเวลาวิการซึ่งไม่เป็นโทษสำหรับชาวโลกนั้นจัดว่าเป็นโทษในพระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้า ฉันอาหารตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาจะทานเมื่อไหร่กันก็ได้ใช่ไหมอาจจะเที่ยงวันหรือหนึ่งว่าหรือบ่ายโมงสองโมงหรือดึกดื่นเที่ยงคืนขนาดไหนครารว่าฉันได้หมดอ่ะทานได้หมดแหละแต่ถ้าสําหรับพระพิสูจน์ทั้งหลายไม่ได้เลยเที่ยงวันไปแล้วเนี่ยบริโภคอาหารไม่ได้อันนี้เป็นโทษเฉพาะในพระวินัยบัญญัติแต่ถ้าชาวบ้านทําไม่เป็นไรขอถวายพระพรการฉันอาหารการพลาดภูตะคาม คือเช่นการตัดต้นไม้การถอนต้นไม้เป็นต้นเนไะซึ่งไม่เป็นโทษสําหรับชาวโลกแต่ก็จัดว่าเป็นโทษในพระศาสนาของพระชินเจ้าเนี่ยนะนะก็คือตัดต้นไม้ตัดกิ่งตกแต่งต้นไม้ถอนต้นไม้ขุดดินปลูกต้นไม้เป็นต้นอะไรเนะี่ยชาวบ้านทําแล้วไม่ผิดแต่พระพิสุทําไม่ได้นะีนะพระพิสุทําแล้วชื่อว่าเป็นอบัติเพราะเป็นปัญติวัชระหรือการเล่นน้ําเนี่ยนะนะ การเล่นน้ําไม่เป็นโทษสําหรับชาวโลกแต่ว่าเป็นโทษในพระศาสนาสําหรับพิสูจเช่นพระพิสูจน์ไหมไปเล่นน้ํากันสบายนะว่ายน้ําแข่งกันเป็นต้นเนี่ยนะไม่ได้ไปเล่นน้าต้มเต็มอย่างเพลิดเพลินเช่นคาราวาเล่นเล่นตีน้ํากันเชียงสารพัดอย่างเนี่ยเล่นไปเรื่อยเนี่ยนะไม่ได้โดยที่สุดเล่นน้ําในแก้วไม่ได้อน้ําในแก้วมาแล้วก็เอาเช่นเอาหลอดมาเขี่ยในเล่นในแก้วเล่นกลี่ยไปกลี่งมาดูนั่นดูนี่เนี่ยเป็นอาบัตินะนะ เ น, <ido> <In> นี่ยนะอ่าเนี่ยก็เล่นคือคือขึ้นชื่อว่าเล่นน้ําไม่ได้เลยเนี่ยนะก็ต้องก็เอาเป็นเอาถ้าจะทําก็ทําเป็นงานเลยนะทำเป็นเรื่องเป็นราวหมายความว่าเช่นอ่าถ้าอาบน้ําก็อาบไปเลยเนี่ยนะถ้าส่งน้ําก็ส่งไปเลยถ้ายกน้ําดื่มก็ดื่มไปเลยแต่เป็นนั่งเล่นนั่งเขลียอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไนนะซึ่งคารวะทำแล้วไม่เป็นไร้ายเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเงาเงว่างๆก็นั่งตีน้ําเล่นก็ได้นะเอา เท้าหย่อนลงไปในน้ำก็ตีน้ำเล่นก็ได้ใช่ไหมไม่ไ ม, ไ ม, ไม่น่าเกลียดอะไรกระวาดรมแต่พระธรรมอย่างนั้นเป็นอาบัตอันนี้เป็นโทษเฉพาะพระพิโสในพระาศาสนาเท่านั้นขอถวายพระพรมหาปภติการกระทาเช่นนี้มีอันอันมีประการดังกล่าวมันนี้เรียกว่าเป็นโทษในพระาศาสนาของพระชินเจ้าก็ว่าอยูย่ในพิกุปาติโมกเนี่ยนะอันนี้แหละที่เป็นปัณติวัชช พระขีณาศกเป็นผู้ไม่สามารถประพฤติล่วงละเมิดการกระทําที่เป็นโลกวัชชาได้เจตนาในปาณาติบาตในอาทินนาทานในกาเมสุมิจฉาจารในมุสาวาตเนี่ยนะเกลือในมิจฉาทิฏฐิพระโสดาปติมั ก, กําจัดไปแล้วเจตนาในพุทสวัจาเจตนาในพยาบาทหรือพยาบาทเนี่ยพระอนาคามีชําระเสร็จแล้ว เจตนาที่จะล่วงเป็นปิสุณาวาจาสัมผัสปลาปะหรือว่าอานะอภิชานะอภิชานี่อรหัตมรรมกำจัดไปเสร็จสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นเจตนาที่จะเป็นเหตุล่วงอกุศลกรรมบทซึ่งผิดพระวินัยบัญญัติไม่มีสําหรับพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์ไม่มีเจตนาเหล่านั้นเด็ขดขาดที่จะล่วงละเมิดด้วยอกุศ ล, ลเจตนาทั้งหลายเพราะอาริยมรรคของท่านกําจัดอกุศ ล, ลเจตนาเหล่านั้นเสร็จสิ้นแล้ว เพราะฉะนั้นท่านไม่เป็นอาบัติที่เป็นโลกวัชชะที่มีโทษอยู่ในโลกเนี่ยนะส่วนเมื่อท่านไม่รู้อยู่ท่านอาจจะต้องอาบัติเศ้ามองที่เป็นปัณติวัชชะคือบางทีท่านเป็นผ้าหันตอนแต่ยังไม่ได้เรียนพระวินัยแบบแตกฉานอะไรเลยนะบวชเข้ามาไม่กี่วันท่านก็เป็นผ้าหันแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะอย่างเช่นอะไรนะ ปล o ผมเสร็จก็บรรลุแล้วเนี่ยซึ่งมันยังไม่ได้ฟังพิขุปาทิโมกยังไม่ได้เรียนอะไรเนี่ยนะในระหว่างนั้นอาจจะผิดพระวินัยบัญญัติบ้างแต่ก็ไม่เรียกว่าไม่ต้องไปเที่ยวปรักปราำท่านท่านรู้ท่านก็ทําคืนแน่นอนบุคคนเหล่านี้จะไม่หมักมมเนี่ยนะจะไม่หมกหมมท่านจะรีบทําคืนเหมือนกับสมมุติ ถ, ถ้าเราใครทําเพชรตกเนี่ยจะ ท, ทิ้งเลยเลยใช่ไหมคือคือการเป็นอาบัติเนี่ยนะก็เหมือนกับทาของตกหล่นนั่นแหละถ้าทําคืนมันก็เหมือนกับเก็บของคืน คือทําคืนได้ไม่ใช่ว่าทําคืนไม่ได้หมายก็ว่าถ้าอบัติเราใดเนี่ยนะที่เป็นไปแล้วเนี่ยทําคืนได้ก็เหมือนกับเป็นแผลเลยทำแผลได้ไหมเย็บแผลได้ไหมรักษาแผลได้ไหมได้แต่ถามว่าตั้งใจทําให้มันเป็นแผลไหมไม่มีใครเขาทําแต่ถ้าเป็นแผลแล้วรักษาได้ไหมรักษาได้พระวินัยบัญญัติก็ลักษณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าท่านท่านเอากระล้วงซะเดี๋ยวไปถึงวัดแล้วก็ปรงอาบัติก็เหมือนกับว่าท่านเออเนี่ยนะ เอามีดโกนเนี่ยมาเฉือนหน้าให้สักห้าเข็มก็แล้วกันเนี่ยนะไปถึงโรงพยาบาลแล้วค่อยเย็บหน้าเอาอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถึงจะรักษามันก็วันหลังก็นึกแล้วก็ยังกินแหนงบ้างแต่จริงๆนี่ถ้าเป็นอบัติไปแล้วก็ทําคืนได้อะไรได้พระหันทั้งหลายเนี่ยท่านจะเอื้อเฟือเพรา ะ, ะถ้าท่านล่วงไปแล้วท่านก็จะทําคืนแต่ไม่ได้ทําล่วงละเมิดพระบัญญัติเหล่านั้นด้วยอาคุศลเจตนาเลยนะทำด้วยความปรารถนาดีแท้ๆบางทีก็เป็น อาบัตเนี่ยนะายางเช่นอย่างอย่างว่าพระเนี่ยนะเขาอย่างพระเนี่ยนะรับสตังไม่นะแต่นึกอยากให้ทานขึ้นมาเอาโยมให้ตังมาก็รับไปแล้วเอาไปแจกอันนี้ไม่ได้เนี่ยนะก็เป็นอาบัตเหมือนกันรับเพื่อผู้อื่นก็เป็นอาบัตรับเพื่อพระเจดีรับเพื่อใครเป็นอาบัตทั้งนั้นแหะเนี่ยนะพันาบางอย่างเนี่ยแม้แต่ทั้งวัดเนี่ยมันรกเหลือเกินตัดกิ่งตกแต่งมันจะได้บุญซะหน่อยไง ก็ไม่ได้แปลว่ามีโทษทางพระวินัยบัญญัติเนี่ยนะนั้นถ้าบอกว่าขอถวายพระพรอันการจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดไม่ใช่วิสัยของพระาดหาันทุกรูปไม่ใช่ว่ารูปทุกรูปรู้พระวินัยบัญญัติไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าท่านไม่มีกําลังที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเพราะฉะนั้นท่านรู้ไม่หมดอันนั้นแหละที่เป็นเหตุให้ท่าน ล่วงละเมิดท่านก็ไม่คิดว่ามีโทษอะไรเนี่ย น, นะเพราะพระวินัยบัญญัติเป็นพุทธวิสัยไม่ใช่วิสัยของพระอรหันต์ธรรมดาทั่วไปแต่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าที่จะบัญญัติพระวินัยบัญญัติพผลการที่พระอรหันต์บางรูปต้องอาบัตินั้นต้องเพราะเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าอันนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เรียกว่าผิดผิดพุทธบัญญัติแต่ไม่ได้ผิดคิดว่าไม่ได้ผิดกติกาของของหลักของบุญบาปนะคิดว่าไปเป็นบาปเป็นอะไรเนี่ยไม่มี ขอถวายพระพรพระรหันท่านก็ยังไม่มียังมีการไม่รู้จักแม้ชื่อแม้โคดของชายหรือหญิงทั้งหลายได้ท่านไม่เห็นหน้าใครปั๊บท่านไม่รู้ว่าชื่อใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะท่านไม่รู้หรอกต้องบอกท่านหรือพระรหันก็ยังไม่มีมีการไม่รู้จักเส้นทางบนแผ่นดินได้เออทางนี้เขาเรียกว่าทางไปไหนคือทางโบราณไม่มีป้ายติดใบใช่ไหมว่าทางนี้ไปไหนทางนี้ถึงไหนจากไหนไปไหนกมที่เท่าไหร่เป็นต้นเมื่อไม่มีการบอกท่านก็ไม่รู้เนี่ยนะ ขอถวายพระพรวิมุตติวิมุตติคือความหลุดพ้นหมายถึงอรหัตตผลนั่นแหละผ้ารหัน์รูปไหนไหนก็รู้จักรู้จักเหมือนกันคือรู้จักอรหัตตผลพระารหัน์บางท่านก็ได้อภิญญาหกก็ย่อมรู้ในสิ่งที่อยู่ในวิสัยของอภิญญาหกคืออย่างบางรูปในะอย่างพระารหัปัญญาวิมุตติเนี่ยนะก็บอกว่าเขามีในสุสิมาสูตรใช่ไหมสุสิมาปริพาชกก็ไปถาม เออเนี่ยท่านบอกว่าท่านเป็นปนเป็นผู้สิ้นอาสวะสิ้นแล้วเนี่ยนะท่านเป็นปัญญาวิมุตต์ท่านหลุดพ้นแล้วเนี่ยที่ที่ไปไปก ร, กราบทูลเรื่องนี้เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังอันนะท่านระลึกชาติได้ไหมบอกระลึกไม่ได้ท่านเห็นสัตว์เกิดสัตย์ตายไหมบอกไม่เห็นท่านรู้เสียงอ่าเรียกว่าอะไรมีหูทิพย์ไหมไม่มีมีตาทิพย์ไหมไม่มีระลึกชาติได้ไหมไม่มีเหาะได้ไหมไม่ได้ อ้าแล้วท่านทําไมท่านบอกว่าเป็นพระอรหันต์ก็ผมเป็นปัญญาวิมุตต์น่ะเฮ้ยมันยังไงไม่เข้าใจว่าเออท่านไม่เข้าใจก็ตามก็ผมปัญญาปัญญาวิมุตต์เหมือนกันทีนี้พรอะอรหันต์ไม่ใช่ว่าท่านรู้ทุกเรื่องวิสัยของพระสุขาวิปสัสสกเนี่ยนะที่เจริญเฉพาะวิปัสนาสมถะท่านก็ได้ชาญแต่ท่านไม่มีอภิน ญ, ญาเนี่ยนะท่านได้ปฐมฌานท่านก็อยู่รู้อยู่ในวิสัยของ ปฐมฌานเนี่ยนะท่านจะไปวิจิตพิสดารแบบผู้ที่ได้ระดับสูงคือมีความสามารถสูงกว่าท่านไม่ได้แต่ท่านก็ยังได้อรหัตผลเนี่ยนะเพราะอรหัตผลไม่ใช่อภินญาไม่ใช่อภินญาแบบทั่วๆไปเพราะนั้นพระอรหันต์บางรูปก็อยู่ในวิสัยของท่านส่วนพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามก็อยู่ในวิสัยของวิชาสามพระอรหันต์ที่ได้อภิญญาหกก็อยู่ในวิสัยของอภินญาหกอย่างพระประเจกขพุทธเจ้าก็อยู่ในวิสัยของ พระปัจเจ ก, กับพระพุทธเจ้าส่วนพระตถาคตผู้เป็นสัพพันธ์อยู่เท่านั้นทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่ทรงรู้สรรพสิ่งทั้งหมดโดยที่ไม่ติดขัดเพราะฉะนั้นคนที่ทําไม่ผิดเลยคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์อื่นๆก็ทําผิดบ้างแต่ว่าเขาไม่ถือโทษกันเขาไม่ถือว่าเป็นเป็นโทษเพราะว่าท่านไม่ไม่มีเจตนาที่ฝ่าฝืนแต่ขณะนั้นท่านยังไม่รู้ พอท่านรู้ปับ๊บท่านก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ล่วงไม่ละเมิดและขอให้ท่านรู้อย่างเดียวแต่ว่าก่อนที่ท่านจะรู้ท่านอาจจะทำผิดในบางกรณีได้อันนี้ก็พระเจ้ามิลินก็ยอมรับว่าดีจริงพระคุณเจ้าน่าเกษรครพระเจ้าขอยอมรับคาตามที่ท่านกล่าวมานี้เนี่ยนะก็ยอมรับว่าพาดหันเนี่ยเป็นอาบัติก็ไม่ได้เป็นเพราะหลงลืมสติอะไรหรอกเนี่ยนะ ก, ก็ยอมรับนะ คือประเด็นของพระเจ้ามิลินก็ถามว่าพาหันนี้ยังลงลืมสติอยู่หรือ ก, ก็ตอบชัดแล้วว่าพาหันนั้นไม่มีการหลงลืมสติอย่างแน่นอนนี่ก็ปัญหาเกี่ยวกับสังคคุณก็ผ่านไป